แต่วเรื่องกระถิ่นในวัดของเราเราก็ไม่ได้ถือว่าจําเป็นสําคัญหลายมากเพียงแต่ว่าทํำให้จบๆไปทําไม่มีกระถิ่นเหมือนกับมันวันว่างว่างยามีคนเข้ามาทีไรก็ามาถามไทยกระถินเป็นยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ตอบแล้วตอบอีกตอบแล้วก็ไม่มีกระถินเนึ่งเขาก็จะต้องจองอีกอย่างเก่าแต่ว่าเราไม่ไม่รับกระถินทําไมไม่รับก็ต้องให้คําตอบเขาอีก คนไดสุดรับไปซะตามประเพณีเราก็ไม่ได้ถือว่าจําเป็นสาคัญอะไรเรื่ององค์ก็ถุงองค์ก็ะตินมากน้อยอะไรอันนั้นเราก็ไม่ได้สนใจเท่าไรก็เท่านั้นเี่เราไม่ได้เสาะแสวงหาวัตถุเหล่านั้นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งวัดของเราก็พอเป็นพอไปแล้วขาดเรือขาดตกอะไรในวัดของเราก็ะย่างอยู่อย่างพระกรรมาฐานเราก็คิดว่าเราจะไม่ มีการก่อสร้างใหโตระหโหฐานอยู่แล้วเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นถ้าจะใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาไปตามวัดต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารยท์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อท่านจากไปเป็นยังไงเสนาสนะสงเหล่านั้นก็ดูๆแล้วก็หน้าเสียดายเพราะไม่มีพระอยู่ เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็จะไปทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ํารอยไปเรื่อยก็ยังไงยังไงอยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อคิดนะหลวงพ่อคิด่คือให้พอประมาณพระที่จะมาศึกษาลูกหลานเข้ามาศึกษาก็ยากลําบากบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยยากลําบากมาแล้วถ้าจะมาอยู่แบบหลูหราโออาร์โรงแรมห้าดาวอย่างที่เขาว่าน พอไม่น่าจะมาบวชเป็นพระคมาฐานกระรู้อยู่แล้วฉันอาหารมื้อเดียว อ, อยู่ในปา่าให้ดูตาม อ, องค์เดียวให้ภาวนาให้ดูจิตใจของตนเองเราไม่ได้มาแ ส, สวงหาความสุขแบบโลกโลกถ้าโลกโลกเขาก็ต้องสนุกสนานเผิดเพลินเฮฮาร้องรำทำเพลงฟังดนตรีลักษณะอย่างนั้นอันนั้นคือโลกเขา แต่นี่เราเข้ามาเนี่ยตัดเหล่านั้นทั้งหมดตัดทางหูตัดทางตาตัดตัดทางจมูกตัดตัดทางลิ้นตัดทางกายให้ตัดทางใจอีกต่างหากนีตัดทางใจได้ไงอยากจะคิดเข้ามาให้มันคิดให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งตัดทางใจตัดทางตาเออตัดทางตาก็ไม่ให้ไม่ให้มองรูปที่มันจะเป็นอันตรายต่อจิตใจ ตัดทางหูก็ไม่ให้ฟังเสียงร้องรำทําเพลงตัดทางจมูกก็ไม่ให้ดมกลิ่นเน อ, อของหอมออตัดทางลิ้งก็ไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิการออตัดทางกายก็ไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ยัดนุ่นแหละสำลีนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาท่านกัดตัดตัดเรานั้นตัดเพื่อตัดกิเลสกิเลสพกใจของเรามันทะเยอทะเยอ ท, ย, อ ท, ย, อทยาน พยองพองตัวหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของสุข เ, ออเป็นสิ่งที่สุขสนุกสบายจริงๆมันลุ่มห ล, ล, ลงในกิเลสเหล่านั้นอย่างที่คุณโยมที่พูดเมื่อวานถึงจะเป็นผู้ใหญ่ตำแหน่งสูงขนาดไหนหแต่พอมาระลึกถึงมรณ ะ, ะภัย เอที่จะตายเนี่ยโหมันรู้สึกว่ามันมันมันรับไปได้เนี่ยมันรับไม่ได้ไไดแต่ ต, ตาไม่จริงเราอยู่ธรรมดาเราไม่ได้คิดถึงมันก็ไม่เป็นไรแต่พอมาคิดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเรื่องมรณะภั ย, เ, ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเต้นให้คิดบ่อยๆให้คิดสม่ำเสมอให้คิดไวในใจอยู่บ่อยๆในเมื่อเราคิดบ่อย เราก็จะได้วางแผนวางแผนอะไรวางแผนเราจะไม่ทำความชั่วเราจะไม่คิดชั่วเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่พูดชั่วชั่วนั้นคืออะไรเราก็รู้อ ja ยู่แล้ววาทำให้คนอื่นเสียหายทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นบ้านเมืองเสียหายโลกเขาเสียหายทำให้คนอื่นเขากระเทือนใจเพราะตัวของเรา วันนั้นเรารู้แก่ใจแล้วว่าเราจะอยู่ในโลกนี้จะอยู่ไปนานจากเท่าไหร่สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราจะดึงออกมาใช้เราจะงัดออกมาใช้เราจะลําเลียงออกมาใช้เราจะขนออกมาใช้อสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างสิ่งที่มันที่เป็นสิ่งไหนที่เป็นความชั่วนเราระงับไว้ก่อนอถึงอยากจะพูดก็ไม่พูดถึงอยากจะทํา อ้อไม่ทําถึงอยากจะคิดก็ไม่คิดไนะนั่นแหละอันนี้แหละเป็นว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ใ้เราทบทวนนี่สิว่าอันไหนควรคิดอันไหนควรทําอันไหนควรพูดอันไหนอันนี้แหละคือหน้าที่ของพวกเราจะต้องกันกรองไตรตรองอะไรทีนี้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะพระทุกองค์นะที่เขามาบวชหลวงพอเองไม่ได้อํานวยความสะดวก อจนเกินไปอยู่แบบ เ, เขียเข้ยมแต่ว่าขาดเหลือขาดตกอะไรที่จะทําให้เดือดร้อนพุ่นวายเออันนั้นบอกมาแต่จะให้รู้ร้ายแบบโรคของเขาสนุกสนานทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิน้นทางกายทางใจนั้นอันนั้นเราต้องคิดเพราะหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ระเวียงระวังอกระทั่งความคิดคิดยังไง ออโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่พระใหม่อย่างนีน้มันเคยชินต่อการสนุกสนานเพลิดเพลินร้องรำทำเพลงไปที่ไหนก็ได้ยินอยู่ที่บ้านก็ร้องเพลงเปิดคิจจุรย์ร้องเพลงเนี่ยนี่มาอยู่ในวัดถึงจะไม่ร้องเพลงในปากก็ให้ระวังมันจะร้องเพลงในใจนก็เป็นมนตทินเหมือนกันนะมะโนกรรมมโนกรรม คือการกระทําทางใจแต่มันก็ไม่เสียหายไม่ผิดต่อวิญัยแต่มันผิดต่อธรรมทําให้จิตใจของเราไม่ก้าวหน้าทําให้จิตใจของเราถอยหลังอยู่กับที่ย่ากับที่เพราะเหตุใดเพราะมันใจของเรามันร้องเพลงมันหวนหาหวย ห, หาหอย ห, หวนไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะเหลืองนั้นไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจกับเป็นโทสะ ในเรื่องนั้นน่ารักน่าใขรน่าชอบใจอันนี้ก็เป็นราคาเลยมันอยู่ในใจของเราเพราะนั้นสียงเหล่านั้นเวลามันจะเกิดขึ้นเราต้องสำทับพุทโธพุทโธพุทโธเอ่คือไม่ให้มันเกิดอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในใจของเราแต่โดยมากมันยากนะอมันจิตใต้สํานึกนี่มันเป็นสํานึกมันเป็นนิสัยมาเก่าแก่แล้วแต่ที่ยังไงเราพยายามล้างมันออกชะมันออกล้างมันออกในกิเลสเหล่านั้นเอ อย่าให้มันมีอันนี้แหละคือทางใจไงใจเราก็ต้องกำจัดออกเหมือนกันอารมณ์ทางใจแต่ถ้าใจของเราเป็นอารมณ์ที่ดีแล้วปล่อยออกมาทางกายกายก็สุสึกเรียบร้อยไม่มีอะไรมีมีอารมณ์อะไรถ้าว่าใจของเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วปล่อยออกมาทางกายมันก็ต้องมีทางรับ ทั้งชอบทั้งโมโหโกธามันเกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้ก็คืออารมณ์ทางกายทั้งวาจาของมอนกันถ้าเราใจของเราไม่ได้รับการอบรมที่ดีการพูดออกมามันก็ไปทางครื่ไปทางขนองไปทางโมโหโกธาไปอีกเหมือนกันการพูดเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะฉนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดของหลวงพ่อรือว่าในพุทธศาสนา เราเข้ามาดูใจใสรุปแล้วมาดูใจใจตัวเองทุกเวลาทุกขณะทุกขณะความคิดนั่นเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงขณะนี้เดี๋ยวนี้นเวลาเนี่เราคิดเรื่องอะไรถ้าพวกเราเอาชนะใจมีสติสัมปชัญญะดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็ยังจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเราก็จะมองเห็น อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนอันไหนดีอันไหนชั่วเรารู้อะไรตัวไห่เพราะเหตุใดเพราะเรายื้อเน่งอะไรมาผ่านเราก็เห็นได้แต่ขณะที่เราวิ่งอยู่ในหม อ, อกควันอีกต่างหากทั้งวิ่งอยู่ในอยู่ในหม อ, อกควันเราจะมองเห็นอะไรความดีความชั่วผิดถูกชั่วดีเรามองไม่เห็นทางนั้นเพราะเหตุดเพราะใจของเรามันปั่นป่วนใจของเราไม่ไม่นิ่ง แต่เมื่อใจของเร า, เรานิ่งหยุดนิ่งด้วยสมาธิแล้วก็ออกมาจากสมาธิแล้วก็มองดูอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรอันไหนควรจะเดินหน้าอันไหนควรจะถอยหลังอันไหนควรจะสู้ไม่ถอยอันไหนควรจะถอยเก้าเกียร์เกียร์ถอยให้มันจะรู้ได้ด้วยตนเองทีนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าเร า, เราได้ผ่านความสงบเหมือนกับเรายืนนิ่ง เราจะมองเห็นแต่สัตว์ตัวเล็กแมลงตัวเล็กผ่านมาเราก็มองเห็นแต่ถ้าเราอยู่ในหมอกควันคือกิเลสราคะโทสะโมหะกุ้มพุมเราอยู่เอเราก่อนวิ่งอยู่ตลอดด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นเราจะมองเห็นอะไรถึงใหญ่ๆก็มองไม่เห็นอันไหนผิดกับเป็นถูกไปหมดสิ่งที่ถูกกับเป็นผิดไปหมดสิ่งที่ดีกับเป็นชั่วถึงที่ชั่วกับเป็นดี เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะสติสัมปชัญญะของเราไม่อยู่กับตัวกิเลสตัวไหนจะพักตันออกไปถ้ากิเลสลาคะพักตันออกไปไม่เห็นกับทางพ่อทั้งแม่พี่น้องหยุดญาติโกโหติกาห้ามทั้งหลาไม่ฟังทั้งนั้นดันทุลังเพราะกิเลสลาขะมันดันไปเหมเห็นคนอื่นพูดเลียเสียหายหมดชั่วหมดไม่ดีทั้งหมดไม่พอใจทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะตัวเอง ชอบอย่างนั้นแต่ตาไม่จริงนุ่งเอียมันไปขึ้นบังไฟบั้งบ้องไฟมันขึ้นสุดตรงแล้วไงมันจะกลับลงมาดันแ่ะจึงจะรู้ได้โอ้ตายเอีเราทําไมจึงะะเนี่ยสารเวเอาแต่ใจตัวถึงขนาดนี้นะที่ไหนได้มันไปเย็นพอแรงแล้วเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะเรากิเลสลาข้ามันผลักดันไปมันไม่ได้อยู่นิ่ง นมันไม่มันไปตามกระแสของกิเลสนะถ้ากิเลสโลโทศะก็เหมือนกันมันผลักดันไปโก้โก้ท้า้แกใครเขาห้ามยังไงก็ไม่ฟังเนยว่าตัวเองถูกจะตลอดโน่นพอไปสุดโตงจะได้ถ้าทุกบางคนก็ไปสุดโตงไปเลยจบไปเลยตายไปเลยแต่พว ก, กลับมาเนียนวยมาโกนกลับมาอีกใช่เราทําอย่างนั้นไ ม, ไม่ถูกเนี่ยมันเอาตามอารมณ์ของตัเองถ้าเป็นลูกของเราทําอย่างเราเนี่ย ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราทําอย่างเราเนี่ยหรือเป็นญาติเพื่อนผูงของเราทําอย่างเราเนี่ยอย่างที่เราคิดอย่างที่เราทําเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราทําอย่างนี้นสิ่งเหล่านี้เมื่อทบทวนแล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอือสิ่งไหนข้ตามเราเกิดมาในพื้นพื้นแผ่นดินในมนุษย์โลกเนี่ยเราก็ต้องใจเขาใจเราเราเขาแล้วก็มองเหตุมองผล อนไหนมันจะเกิดตามมาต่อไปในอนาคตเมื่อเราทำลงไปแล้วเป็นผลดีนั้นเป็นผลเสียไหมอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกท่านนะเข้ามาศึกษาทำมะปฏิบัติอยากจะให้พวกเราใช้ปัญญาใช้เติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบแตถ้าว่าอยู่เป็นพระเป็นเนนเป็นพระก็เป็นพระที่ดีถ้าออกไปเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีถ้าเป็นลูกก็คงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของตระกูลถ้าพวกเราคิดได้อย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เอาหัวชนฟ้าแล้วก็ดันทุลังไม่ยอมฟังใครอยู่กับใครก็ลาบากเหมือนกันนะออยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ลําบากใจเหมือนกันพอลูกสิบย์หัวด้อไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังหมู่ฟังเพื่อนนถ้าไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องสํานักงานไหนก็เถอะสํานักงานนั้นก็อึดดัดเหมือนกันเพราะเหตุไร พอพูดคือมาแล้วไม่ยอมฟังใครมีแต่ว่าตัวเองถูกเยอะตลอดอันนี้เราต้องเป็นผู้มีเหตุผลต้องฟังอพอฟังเหตุแล้วแบบเออเมื่อเราคิเคราะห์ดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นออกไปตรง ท, ที่มันเป็นเรื่องอย่างนี้เอแต่พอพูดไปแล้วมีใครคัดค้านไหมถ้ามีคนคัดค้านก็ฟังเหตุผลของเขาที่คัดค้านมาอีกเอแต่เท่าเราหากัหากล้างได้เราก็หักล้างอีก ความคัดค้านนะ่ะมันไม่ถูกนะต้องไปยักแต่ น, นี้นะอันนี้ถ้าเรามีเหตุมีผลนะคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุมีผลทุกคนแต่บางคนก็อย่างว่าไอ้พวกดันทุลังตัวดันทุลังมาใส่กันนละยเอาหัวชนเอาหัวชนกันแล้วกัไม่รู้จะไปทางไหนก็ต้องหาแนวผู้ที่สามมาช่วยเลยเคยมีนะอพอหัวพ อ, อหัวชนกันแลนะ้วเนี่ยมันไปไม่ได้เลเพราะมันหัวชนกัน ผมเรียกสามบุคคลที่สามมาช่วยบุคคลที่สามก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งช่วยข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งนี่นก็อึดอัดอึมวกันเหมือนกันแหละนี่แหละอันนี้ก็คือมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันหลวงพ่อว่าต้องฝึกขัดในการคิดก็ดีในการพูดก็ดีในการทําก็ดีพยายามนึกคิดพูดทําหาเหตุผล เอาเหตุผลมาเหตุผลคือคือความถูกต้องนั่นแหะถูกต้องเป็นธรรมอ่ะคะแนนอันนี้คือหลักธรรมเหลักธรรมคือหลักเหตุผลอย่างที่หลวงพ่อพูดพูดแล้วพูดอีกย้งแล้วยังอีกเหตุผลคืออะไรหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดวกไปเท่าไหร่เพื่ถูกไปเท่านั้นเพื่ออะเพราะเหตุผลถ้าห่างเราพูดไม่มีเหตุไม่มีผลเลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นเก้าไปเลย มันจะไปถูกได้อย่างไงเพราะมันผิดผิดหลักเหตุผลหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเหตุผลมาพวกอ่าตรัสอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นอ่าดังให้ระลึกถึงความตายนะทําไม่จึงให้ระลึกถึงความตายความตายใครๆก็กลัวทํำไมระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเนี่ยุก ก, กลมหายใจเข้าออกดูก่อนอานน์ ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งเพราะพระอานุ์บอกว่าวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะนยังประมาทอยู่อานุ์ต้องระลึกถึงรำลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไปเข้าอีกก็ตายอย่างนั้นจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะพระเจ้าทำไมจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะความตายเป็นเรื่องอุดสูดูดายเป็นเรื่องห่อเหี่ยวทางด้านจิตใจ แต่ทำไมพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายให้ถี่ถึงขนาดนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีจุดประสงค์เมื่อคนระลึกถึงความตายคนนั้นจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะคิดจะพูดจะทําสิ่งไหนก็ต้องได้คิดไว้อีกไม่นานไม่รู้ว่าวันไหนเพราะนั้นเราจงประกอบแต่คุณงามความดีเปต่อประกอบแต่ความดีทุกขริยาบทยืนเดินนั่งนอนเราจะเป็นคนดีและเราจะคิดดีพูดดีทําดีตลอด นี่แะจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าใครระลึกถึงมรณะภัยอยู่ตลอดอย่างนั้นะเพราะฉะนั้นจึงมีจุดประสงค์อย่างนั้นะที่ทําไมเราให้ระลึกถึงความตายเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงความตายแล้วมีจุดประสงค์อย่างนั้นเหตุผลอย่างนั้นเหตุผลก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อควรระลึกถึงความตายเลยก็จะตึองจะต้องทําความดีเพราะถึงอย่างนั้นว่าจะตายจะกันอยู่แล้วเอเวลา ทำความชั่วเสียหายึ้นมานมันจะเกิดประโยชน์อะไรไอ้คนที่โลกโมโหโกธาไม่ฟังคำใครคิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะครองโลกจักรวาล น, นานเท่านานแต่สามี่จริงไม่ใช่นะอีกไม่นานนะเดี๋ยวก็หายเงียบไปแหละเป็นคนคคนค น, คนไปไปไหนตายแล้วนะั่นแหละเมื่อตายแล้วคําพูดของตัวเองนั่นนะอยู่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทำาไง พวกทางหลังโอ้ดูสิสมัยเมื่ อ, อยังอยู่นะไม่ยอมฟังใครเลยดันทพลังเห็นไหมล่ะเนื่อทั้งที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อคู่คนที่เขาดันเขาเสร็จแล้วเห็นมไหมมันไปไหนอะ่ะคนนั้น่ะอมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพอเพอแล้วยังด่ายังเอตํานิติฉินนินทาต่อภายหลังอีกแต่ถ้าว่าคนทําดีเนี่ย เมื่อจากไปแล้วเขาก็ยังยกย่องเชิดชูบูชาอย่างองค์หลวงตามหาบัวใครระลึกถึงเมื่อไหรพวกเราก็ยกมือท่วมหัวเพราะเหตุไรเพราะหลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกท่านมองไกลจริงๆริงท่านทําไมจึงคิดได้เอาระดมทองคําเข้าคลังหลวงได้ถึง13 13ตันท่านพูดได้ท่านคิดได้ท่านพูดได้ท่านทําได้อีกต่างหากได้ทองคํา13มตัน ทราบว่าเดียวนี้ทองคําประเทศไทยประมาณร้อยร้อยร้อยตันนะเป็นประเทศที่มั่งมีพอสมควรทราบว่าประเทศอังกฤษประมาณยี่สิบกว่าตันนะประเทศใหญ่แต่เขามาได้สะสมเรื่องทองแต่เมืองไทยของเรานี่ประมาณนยะแต่ในในนั้นของลุงตาเนี่ยสิบสามตันนะอยู่ในรในร้อยตันนะดูที่คนหกสิบกว่าล้านนะ คนที่หกคนนั้นทำดวงตากับคณะกลุ่มของคณะดวงตาทําได้ขนาดนี้จะไม่ใช่เป็นอัจฉิยะไม่ไม่ไม่ใช่บุคลลบคลที่น่ายกย่องหรอกดงตาเนี่ยเป็นบุคคลที่นายยกย่องมองไกลเงินคําเข้าคางหลวงดีอะไรก็เพราะว่าเราจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้แต่ละธนธนบัตรก็มีทองคํำนุนหลังหนุนหลังอยู่แล้วไม่เสกไม่เป็นเศษกระดาษ แต่ถ้าว่าเราไม่มีอะไรหนุนหลังมีแต่ประเทศหนุนหลังประเทศก็ยากจนอยู่ต่างหากคนในชาติก็ยากจนอีกต่างหากโง่เง่าเต่า ต, ตุนอีกต่างหากรัฐนบัตรพิมพ์ธนบัตรออกมากา็ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าเป็นเศษกระดาษแต่ถ้าว่าเรามีทองคําอยู่อย่างเงี้ยหนุนหลังอยู่อย่างเงี้ยรัฐนาร์บัตรของเราก็แข็งโป๊กขึ้ น, นเรื่อยจนให้กดไว้ข่มเอาไว้เลยมัน จ, จะแข็งเกินไปนี่แหละ อันนี้ก็คือคุณค่าของหลวงตาที่ท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่โลกเพราะท่านทําำยังไงเพราะท่านมีคุณธรรมคิดดีพูดดีทดําดีท่านไม่ได้ตั้งท่านไม่ตั้งอยู่ในความประมาทจัดสิงไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวของท่านท่านก็จัดแล้วกําจัดออกแล้วต่อพอาณาจิตรยาริทธิ์ที่อยู่ใกล้ท่านก็ให้ ต, ต่อประเทศชาติท่านก็ให้ ต่อโลกท่านก็ยังให้อีกต่อโลกท่านให้ยังไงก็คือท่านมีสถานีวิทยุโทรทัศน์เปิดไปสิขวโลกไหนก็ได้ยินเสียงหลวงตามหาบัวพูดพวกลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปอยู่ต่างประเทศก็เปิดโทรทัศน์อีเมลอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรดูหลวงตาพูดชัดเจนอยู่ทั่วโลกเสียงธรรมธรรมคำสอนขององค์หลวงตานี่แหละหลวงตาทาคุณประโยชน์ให้แก แกโลกในยุคนี้สมัยนี้น่าเชิดชูบูชานะเจดีย์ของหลวงตาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเจดีย์มันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งกดคนใดคนหนึ่ ง, ค, นนงคิดขึ้นมาไม่ใช่มันต้องรวมพลังรวมน้ําใจรวมใจแล้วก็รวมทรัพย์สินแล้วก็รวมความคิดการพูดการกระทํารวมน้ําใจรวมพลังใส่เข้าไปเพื่อจะให้ เจดีย์ของหลวงตาเพื่อบุญชาพระคุณหลวงตาให้เจดีย์สำเร็จรุ่ล่วงนะแต่ถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัครีทุกอย่างเลยจิ้บจ่อยทั้งหมดน่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามากขนาดไหนแต่ว่าหันหลังให้การพูดพูดไปคนละทิศทางโอ้โหนั้นอยากแค่สองคนเลยยากล่ะถ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน่ะทํำยังไงนก็ยิ่งยากใหญ่แต่ล้านคนก็เต็ อต่างคนก็ต่างมีเหตุมีผลด้วยกันนะมันไม่ยากไม่ง่ายเอย่ากหัวชนฟ้าอย่างที่ว่าที่ตรงพอพูดดันทุลังใครดันทุลังเราถ้าเป็นอย่างนั้นก็โหอยู่ในชนกลุ่มใดชนกลุ่มนั้นเนี่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนฝอยขัดหมอรู้ไหมมันไม่รู้ทัง้งเงอนต้นเงิ น, น, งนปลายอยู่ที่ไหนแต่ถ้าว่าคนมีหลักมีเหตุมีผลแล้วอันไหนผิดอันไหนถูก ได้รับการศึกษามาด้วยกันปริญญาตรีโทเอกทั้งนั้นทําไมจึงจะไม่รู้จักอัะไรควรไม่ควรทําไม่ใช่กิเลสภายในใจมันดันออกมาเลยถ้ากิเลสภายในใจในใจมันดันออกมาแล้วน่ะมันไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักกระทั่งพ่อกระทางแม่ไม่รู้จักกระทางครูบาอาจารย์ไม่รู้จักกระทัางสูงกระทางต่าสิ่งควรไม่ควรมันไม่รู้ทั้งนั้นนะ่ะพอเห็นแล้วพอกิเลสนะอละไรรับพร อ, น, อนโมทนาให้พร